ตะเค็คาเมจารุเปคิริสิคารัตเตจันตาลิเควิมาเนที่เปรตเถจะขาเมตาเรวาะ อาหาเนหเคหะวัตถุหิเขตเตหุมมาจายันตุเทวาชาละาละวิสมยยักขันทบพนาคาติดทันตาสันติเกยัง พระวจนะสาธุเมสุนันตุธรรมะสวนกาโลยำภทานตาธรรมะสวนาาโลยำภาานตา Sawanakalo ayam patan ta. นาโมเมตุตาเตชะสารตนาตยธรรมมิกาเตชะปัสสิติปัสสเทธิวานารายปรเมสุราสิทธิพระมาจะอินท่าจะตุโลกะคามเพรละคกาสมุทาพุตุงคังค่าจะสะพระมชายาปัสสิติปัส วันตุเตชัยยะชัยยทอรณิทอรณีอุทธิอุทินาทินาทีชยชยยขาคนละตนละนิใสนิไรไสเสนาเมรุราชนนอราชีชยชยยะามพี ระสมพนาคีตนาคีปีศาสจะพุทธกาลีชัยยชัยยะทุนนเมีตโรคีชัยยชัยยสิงคีสุธาธา namo k ชัยยชัยยวรว namo a k a s a s t ชัยยชัยยะจปาทินากโกลกันทุชัยยชัยยกัจคนาต สรังสุการะโพจงสิหายิกิปาชัยยะชัยยะวารนนามคาญาตจิตตจิตตเสนาเรียปุณณสตินระตีชัยยะชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยทอรณีตารสัตถาโสชัยยชัยยะชัยยะทอรนีสันติน สทัชยายชายามังกรารัญญาปะวเคียชายายชยาวรวนยาเคชยายชยารกเสสุรพูจะติชาชายายชายาพระเมรทกนาชายายชยาราชาธิราชาสชายาชยาปัทวิงสาพังชายายชายารันตาปัเตก กับพุทธะสวังชัยยะชยยะมาเฮสุโรหโรหะรินเทวาชัยยจชัยยะพระมาสุรโคชัยยะชยยนาโคเวรุณหโกวิรูปโคจันทิมารวินโทเจเวนเตยโยจักเวโรวรุณปิจักขิวาโยจักปะชน หัวโกมาโรทัตระทะโกอธารสมหาเทวสิทธิตาปสสอัทยโยอิสีโนสาวกัสาะภชัยยราโมภวันตุเตชยธรรมโมจะสังขวจะตาสปาโลจะชัยยกังเอเตนะชัยยเตเจนะชัยยโส เทพาวันตุเตเตนาพุทธเตเจนาอนตุเต ชายังมังขาลังชายโยเปี๊พุทธศาสิริมาตอยังมารัสัจปาปิมโตุะราชายโยอุโโคสยามพทธิมันเตปโมติตตาชายยาตทาพรมมาคนาเมฮิสโนชายโยเปี๊พุทธศาสิริมาตอยังมารสัจปาปิมาตุ ประราชาโยขโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตาอินทคนามาฮิโนจัยโยปิโพตัสสิริมาโตอยังมาราสัจปาปิมาโตประราชาโยขโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตาเทว ขณาเมหฮสิโนจะโยปิพุทธศาสิริมาโต ยังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยาโพธิมันเถระโมติตาชัยยตาาสุปันนาคนามาเฮสินโอชโยปิพุทธศาสิริมาโตยังมารสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยาโพธิมันเถระ ปมโมติตาชัยยตาธานาคคานามาหิติโนจยโยมิมุตสาสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราจโยอุโคสยามโพธิมันเถปัมโมติตาชัยยตทาสัพรามาคะนามาหิติโนจะยันโตโพธิยา โมเลสักยานังนันทิวาัตนเอวังตะวังเวชโยโห้อยชัยยาสุชัยยามังคะเลอปาราเจตปาลังเกศศิปัตเวโปกเรอาพิเศษสัะพุทธานาอาคาปาโตอาปโมทตีสุนา คาตังโมังขาลังสุปาภาตังโซหติตังุขคโนสซโมโหตัวจะสุยทางพระมจาริสุปาทาคีนังกายกรรมว่าจากรรมังปาทาคีนัง ปะทาคีนังมานกามังปณีิิเตปะทากีนาปะทากีนานิกตตวานารปันตะเะปทาคีเนเตอัราาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาเสนารคาสุขิตาหทัสสะสัพเทียติพีสุ ตัวพนตวยเทวะสัมิงธาเนหติคาตาทิคาโยกาสะท่าหอนตูสุขิตาหอนตูสะปัทาราขันตูสะปสาตานังราคันตูจินาสาสนังยากาจิปาธนาเตสังสาเพปุเรนตุมโนรทาย ยุตกาเลภวัสสันโตวัสังวัสาวรากาโรคาจุปัฏฐาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะทากยาสุขังจติสุขังอรหันตยาธารา น a m o เมปุถัเตชสารตนาตยธรรมมีกาเตจปาสิทธิปาสิทธิวานารายพะรเมสโุราสิทธิพระมาจะอินท่าจะจตุโลกาครรมเพรคกาสัมมทาโพตุงขังข้าจะสัพพรมชายาปาสิทธิ ภาวนตุเตชยชยทอรนิทอรนีอุทธาิอุทธตินาทินาทีชยยะชยยขาคนลตนลันนีใสนิไรใสเสนาเมรุราชข้คนนอราชีชยยชยยะมพีระสมพนาเคปตันนาเกเปีสัจจะพูทธกาลี เจยเจียจียทุนม่มีตโรคขี้เจยเจยยสิงขีสุทาธานามคาชาเจียเจียวารุนามคาสาธาเจยเจยยจำปาทินาคโกละันทกเจียเจยยกัจจคณนตุรงสุการะปูชมสีหาภิกขีปาเจยยเจยยว่า รวลมวขาญาตาจิตาจิตาเสนารีปุณสุทินอรตีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวิชัยยาชัยยาทรณีตเรสัทธาสุชัยยาชัยาชัยยาทอรนีสานตินสัทธาชัยยาชัยยามังกรารัญยาปวัเคชัยยาชัยยา รวณนยาเขียใจยาใจยารักษาเสสุรพูจะติดาใจยใจยพระเมะกันณใจยายราชาธิราชาสชายใจยาใยาปัตเวิงสาพังใจยาใจยาอรหันตาปเตกพุทธสาวังใจยาใจยามาเหสุโรหโรหารินเทวา ชัยยะชัยยะพระมาสุราโคชัยยะชัยยนาโควิรุณหโควิรูปะโคจัน ทิมารวินโตจะเวนเตยโยจะกูเวโรวรุณปิจาอคิวายโยจะปาชวนหักุมารวัตตารถกุอัตารสมหาเทวาสิทธิตาปสสอัทโยอิสีโนสาวกัสาะภชัยยราโมภาวันโตเต จะยาทำโมจะสังขูจะตสปาโลจะใช้ยาขังเอเตนะใช้ยาติเทนะใช้ยยโสเทพาวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะฮอนตุเต เทียมังคาลังชโยเปี๊ดพุทธาสิริมาตุายังมาราสัสตะจปาเปี๊ดมาตุปราชโยุโค สยามโพธิมันเตปโมติตาใชยตทาพระมาคนาไมฮิโนใชโยเปิพุทธศาสิริมาโตอยังมารสัจปาปิมาโตปาราชโยอุโขสยามโพธิมันเตปโมติตาใชัยตทาอินทคนาไมฮิโน ใจโยปิพุทธสสิริมาโตอยังมาราสัจปาปิมาโตปราใจโยโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชัยยะตถาเทวคนาเมฮิโน่ใจโยเปิพุทธสสิริมาโต ยังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยาโพธิมันเถระโมติตาชัยยตทาสุปันนาคนามมเฮสินโอชโยเปิพุทธศาสิริมาโตอยังมารสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยาโพธิมันเถระ โมติตาชัยยตาธานาคานามาเหสีโนใจโยเปโมทัสสิริมาโตอายังมารสัจปาปิมะโตปราใจโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชัยยตทาสัพพะมาคานามาเหสีโนใจยันโตโพธิยา โมเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยห้หิชัยาสุชยามังคะเลอปาราจิตตปาลังเกศศิปทตเวปุกะเรอาพิเศษสัพปภูธานาอาคาปะโตปะโมทตีสุนา คาตังสุมังขาลังสุปาภาตังโซโหติตังุขคโนสซโมโหตัวจะสุยทางรัมมะจาริโซปาทากีนังกายากรรมมังว่าจากรรมมังปาทากีนัง ป่าทักกินังมโนกามังปณีิทิเตปทาทกินาปทาทกินานิกาตตะวานาราปันตาเทป่าทั กิเนเตอธาลัทธสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโรคาสุกิตาหอนทัสสะเพหิยาติเพียสุนันตวผลตัวเยเทวอาสัมิงทาเนอติคาตาทิคายยกาสัทธาหอนตุสุขิตาหอนตุสัพัธารักั ตัวสปัตานังรักขันตัวจินนาสัสนังยากาจิปาธนาเตสังสัเปุเรนตมโนรัายุตกาเลขวาสันตูวาสันวาสาวาราคารคาจุปัถวเตสังนิวาเรนตจะสัทากายสุ เจตสุขังอรหันตยญาทารัง นาโมเมตุตาเตชสารตนาตยธรรมมีกาเตชปัสสิติปัสสเทธิวานารายปรเมสุราชิติพระมาจฉินท่าจะจตุโลกาคามเพรละคกาสมุทาโพตุงขังคาจะสมาพระมัชยปาสิท ภาวนตุเตชยชาชยทธรณิทธรณีอุทธาติอุทธาตินาทินาทีชยชายขาคนละตอนลนิไซนีไรไซเสนเมรุราชขุนนอราชีชยชายขามพิ ระสมีนาคีตนาคเปีสัจพูทกาลีชัยยชัยยทุนนเมีตโรคีชัยยชัยยสิงคคีสุธาธา namo k c h a ชัยยะชัยยะวรวน namo k h a s a า r a ชัยยะชัยยะจปาตินากโกลกัทกชัยยชัยยกัจคนต สรังสุการะโูชมนีหาภิกขะทิปาชัยยาชัยยาวรนนามวคายตาจิตาชิตาเสนารีปุณสุทินอระตีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยยาทอรณีตเรสัตตาสุชัยยาชัยยาชัยยาทอรนีสันติน สทาชัยยะชัยยมังกรารัญญาปวเคชัยยะชัยยวรณยาเคยชัยยะรกเสสุรพุจเตชาชัยยะชัยยะพระเมธกันนาชัยยะชัยยราชาธิราชชชัยชัยยะยปัตวิสะพังชัยยะชัยยะรหันตาปัตเจ กบุษทาสาวังชยยาชัยามาเฮสุโรฮะโรหะรินเทวาชัยยาชัยยาพระมาสุรโคชัยยาชัยยานาโควิรุณหะโกวิรุปปะโคจันติมารวิอินโทจะเวนเตยโยจะกุเวโรวรุณนพิจักขิวาโยจะกปะชน โัวโกมาโรทตตะทะโกอาทะรสมะหาเทวาสิทธิตาปัสสัทยโยอิสีโนสาวกัสาภชัยราโมภวันตุเตชัยธรรมโมจะสังขวจะตาสปาโลจะชัยกะเอเตนะชัยเตเตนะชัยโส เทพาวันตุเตเตนาพุทธเตเจนาฮอนตุเต ชายังมังคลังชายโยเปี๊บพุทศาสิริมาตอยังมาราสัจจปาปิมาตุปราชายโยอุโโคสยาโพูธิมันเตมปะโมติตตาชายยาตธาพระมคานามเฮสิโนชายโยเปี๊บพุทศาสิริมาตอยังมารสัจจปาปิมาต ประราชาโยขโคสยามพทธิมันเตปโมทิตาชัยยะตาอินทคนามมฮิโนชาโยเปโฑตัสสิริมาโตอยังมาราสัจจะปะปิมาโตประราชาโยขโคสยามพทธิมันเตปะโมทิตาชัยยะตาเทวา ขณาแมฮสิโนใยโยปิพุทธศาสิริมาโต ายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยาโพธิมันเถบาโมติตาชัยยะตาาสุปันนาคนามมเฮสินโอชโยปิปุทธสสิริมาโตอยังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยาโพธิมันเถบา โมติตาชัยยตาธานาคคานามาหิติโนจะโยมุทตะสสิริมาโตอะยังมาราสะเจปาปิมาโตปราจโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมติตาชัยยะตาธาสัพพะมาคะนามาหิติโนจะยันโตโพธิยา โมเลสักยานังนันทิวัตนเอวังตวังเิชโยโห้อยชัยาสุชัยามังคะเลอปราชิตตาปัลลังเกศิศิปตาเวปุกะเรอาพิเศกสาปภูธานาอาคาปะโตปโมทตีสุนา คาตังโซมังขลาลังสุปาพาตังโซโหติตังุขคโนโซโมโหตัวจะสุยทางรัมมะจาริโซปทากีนังกายะกรรมมังว่าจากรรมมังปทากีนัง ปทากินังมโนกรมมังปณีิทิเตปทากินาปทากินานิกาตตาวานาราปันตาเทปทา ทิเนเตอธรัาธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนอโรคาสุกิตาหอนธสาสับเพหิยติพพสุนันตูพนโตเยเทวอาสามิงธาเนอติคตาติคายยกาสัทธาหอนตูสุกิตาหอนตูสัพัธาระคัน <laughs> ตัวสัพพตานังรักขันตัวจินนาสสะนังยากาจิปาตนาเตสังสาเปุเรนตมโนรัายุตกาเลควาสันตูวาสังวาสาวารากรคจุปัวาเตสังนิวาเรนตูจะสัพพากายสุ เจตสุขังอรหันตุยถาหัง